มันเอาฝนตกลงมาถามว่าแล้วมันไหลไปตามจนถึงทะเลเนี่ยนะใครเป็นตัวบอกว่าบอกว่าน้ํานะแกต้องไหลไปอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วแกต้องไปถึงทะเลณที่นั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นใครใครไปอะไรเป็นปจัจจัยธรรมชาติธรรมชาติอะไรของอะไรอะไรเป็นตัวกําหนด อันนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่าชั้นใดก็ดีเนี่ยนะแนวโน้มของแต่ละเรื่องมันเหมือนกับขูดเส้นน้ําไหลเนียเส้นน้ําไหลเนี่ยตอนแรกมันไม่ได้เป็นแม่น้ํามาก่อนแต่ละแห่งนั้นไม่ได้เป็นแม่น้ํามาก่อนนะมันก็ไหลซ้ออย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเมื่อฝนตกเอ็วปั๊บมันก็ไหลมาอย่างนี้ถามว่าน้ําครั้งก่อนก่อนมันได้สั่งไว้ไหมว่า<ห>แต่ต้องไหลไประตามนี้นะจะ ต, ต้องไหลมาตามชั้นและน้ําที่ตกมาที่หลางหลังก็ถูกสั่งไว้ไหม เส้นทางชันใดพวกการสั่งสมมาก็ชันนั้นมันไม่มีใครสั่งอะไรใครไว้หรอกแต่ว่ามันได้รับการสั่งสมในสิ่งนั้นมามันมันเช่นว่าอิทธิพลของการเกี่ยวข้องกับวัตถุนั้นเข้ามาอย่างที่เรียกว่ากลมการม่สัญญากับพยาบาทสัญญานะบางกรณีเราฟังป๊บเราไม่ชอบทันทีเลยไม่ต้องอธิบายอธิยิ่งอธิบายยิ่งไม่ชอบมาก ันะในบางกรณีนะยิ่งอธิบายยิ่งเกลียบเพิ่มยิ่งเกลียดเพิ่มสำหรับบางกรณีไม่ต้องอธิบายโดยประการทั้งปวงในบางกรณีนะยิ่งอธิบายยิ่งชอบยิ่งยิ่งอธิบายยิ่งชอบเป็นต้นเนยนะก็ไม่เชื่อนะลองใครมาชมศัตรูเราให้เราฟังดูสิถามว่ายิ่งฟังยิ่งชอบเลยใช่ไมยิ่งดีดีดียิ่งดีใช่ไ้มไม่ต้องฟังความเลวของศัตรูเรานะเราจะมีความสุข นะยิ่งเขาเลวเท่าไหร่นะเราจะดีใจเท่านั้นแหละที่ได้รู้ความเลวของเขาถ้ายิ่งแปลที่บายในแง่ความดียิ่งเครียดทุกครั้งที่ได้ยินถ้าถ้าเพื่อนของเรานะถ้าคนที่เราชอบที่สุดเลยนะต้องพูดแต่ความดีอย่างนี้เราจะชอบมากพูดความเลวเมื่อไหร่เราเรียดจริงๆนะใครที่พูดกลิพูดถึงความเลวของอีกฝ่ายของคนที่เราชอบไม่เราฟังเพราะอะไรเพราะเราสั่งสมความชอบกับความชังใน ในสิ่งนั้นมาเมื่อชอบความชังความชอบความชังในสิ่งนั้นมามันก็จะเริ่มวินิจฉัยแล้วอะไรชอบมากชอบน้อยอันนี้ชอบอย่างยิ่งอันนี้ชอบน้อยหน่อยเป็นต้นเนี่ยนะเหมือนกับผลไม้เนี่ยเราชอบในบรรดาผลไม้ทั้งหลายเราชอบผลไม้เยอะชนิดใช่ไหมแต่ที่เราโปรดจริงๆมีอยู่ไม่กี่อย่างที่เราชอบอยู่จริงๆมีไม่กี่อย่างกับข้าวก็เหมือนกันเยอะแยะั้งหมดเราก็ชอบไม่ได้รังเกียจเกือบทุกชนิดนะนะพอทานได้ แต่มันมีชอบพิเศษอยู่บางอย่างเท่านั้นแหละแล้วก็อันนี้อิทธิพลของการสั่งสมมาถ้ามไม่อพ า, านยอยู่ตรงไหนพ า, านใครกติมานังควารุธเจ้าถ้าไม่จอบพญ า, านิยเป็นโทสะใช่ไหมครับก็รู้สึก <laughs> ว่ารู้สึกว่ากานโทสะนั่นแหละ เห็นว่าเรื่องอุกเซียปัจจัยนี่โอ้โหมันสำคัญมากๆเลยนะฮะที่มันมันอธิบายแบบสังสมนี่ถูกไหมฮะเพราะอำนาจของของอุกฤษียปัจจทั้งหลายแต่ทีนี้ไอไอการสั่งสมเนี่ยมันดันพลิกได้ดิคือคือก็อย่างว่านะถ้าเป็นอภิธรรมไปดกนะท่านให้แบ่งแงโกโกแล้วก็แบ่งแงอาโกแล้วก็อับ นั่นไงแล้วก็อากูปกติมันก็ควรอากูใช่ไหมมันนั้นเป็นกูได้มันเป็นอับได้อย่างไงเนี่ยมันซีรีส์มันยุ่งอ่ะตรงเนี้ยที่มันมีบ้างเป็นอะไรนะเขาเกลียดกันอยู่ดีๆแล้วอ้าวเป็นเพื่อนกันตั้งแตเมื่อไหร่อนะเห็นชอบกันอยู่ดีๆอ้าวทะเลาะกันนะเมื่อไหร่อยังไงนะมันพร้อมที่จะไปเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเลยก็ได้ใช่ไหมอย่างสมมติว่าอีกในหนึ่งนะอากูยังไง ก็แบ่งเป็นโลภะเออโสมนัสโสมนัสปกติมันควรจะเป็นปัจจัยแก่โสมนัสใช่ไหมมันมีบางครั้งอ่ะเป็นปัจจัยแก่โทมนัสเฉยหรือเป็นปัจจัยแก่อุเบขาทีนี้ไอโสมไอโสมโทมนัสอันนี้ก็เป็นปัจจัยตรงๆก็คือควรจะเป็นโทมนัสไหมันมีบางครั้งไปเป็นโสมนัสอีกบางครั้งเป็นอุเบขาพวกนี้ก็ลักษณะเดียวกันมันก็เลยแตกตัวกันอย่างเงี้ย พันใครว่าอะไรที่จะรกชัดเท่ากับความคิดไม่มีไม่รู้มันพร้อมที่จะโน้มเอียงไปเป็นอะไรนะมันจึงอะไรนะใครที่ดูแลความคิดเนี่ยนะจะรู้เลยว่าหูมันมันมันมกขนาดนี้เลยพัะเราเราสมมติว่าเราจะรักษาเหตุการณ์สถานที่วันนี้ให้มันดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยมเราจะมีความสุขใช่ไหมดูเหมือนใช่แต่เอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่ ลังคุณมุนชูเนี่ยปิดบ้านเปิดแอร์ให้มันเย็นสบายเลยนะแล้วนอนไปเถอะเผื่อจะมีความสุขชั่วโมงแรกอาจจะใช่ชั่วโมงที่สองเริ่หมหงุดหงิดขึ้นมาชั่วโมงที่สามแม้แต่เสียงแอร์ก็น่ารำคาญถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของคนหรือของสัตว์มันสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่ชีวิตแค่เฉพาะหน้า น, นะไม่ใช่ชีวิตแค่เฉพาะหน้า เพราะฉะนั้นเราเวลาที่อกุศลวิตกเกิดขึ้นมาเนี่ยใครเคยสาวปั๊บจะรู้เลยะนะพอสาวปั๊บความชอบบางอย่างนะสาวได้เลยว่าเช่นเราชอบอะไรสักเรื่องหนึ่งนะเราสาวได้เลยว่าเราพ่อเราเคยชอบเรื่องนั้นนะเรื่องนั้นเป็นอุปนิสัยให้มันไล่ไปชอบตัวนั้นด้วยมันเลยมันมันเหมือนอุปมาเหมือนอย่างว่าเราครบคนเนี่ยนะคนที่เรารู้จักเนี่ยอยู่ๆไม่ใช่เราครบคนนี้มาเลยทันทีใช่ไหม มันมีเส้นมีสายมาก่อนก่อนที่จะมารู้จักคนนี้มาจากใครมายังไงก็จะสาวๆไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีการสาวมีการเชื่อมโยงไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆความคิดที่เราคิดแต่ละเรื่องที่เราคิดขึ้นมานะถ้าเป็นคนช่างสังเกตหน่อยจะรู้ว่าทำไมเราจึงคิดอย่างนั้นความคิดตัวใดเป็นตัดใจให้เราคิดแบบนั้นคนที่จเจริญมักงนะผู้ตรงๆนะเขาแยกแยะหด ความคิดของเขาเนี่ยเขาแยกได้ทุกความคิดเลยถ้าแยกความคิดไม่ได้ถามว่ากุศลหาอกุศลก็แยกไม่เป็นนะอะไรควรเจริญอะไรควรละก็ก็แยกไม่เป็นเพราะวิตกมันมีสองกลุ่มไยกลุ่มกุศลกับอกุศลถ้าแยกไม่ออกแล้วจเจริญอะไรก็คุณพูดเองนะ ก, ก็ก็เราก็จะเจริญในสิ่งที่เราถนัด ถ้าถ้าเราแยกไม่เป็นว่าอันนี้ควรเจริญอันนี้ไม่ควรเจริญนี้ควรละอันนี้ไม่ควรละก็ตามถนัดถ้าถนัดโทสะก็ตรึกอะไรก็ตามฟังแล้วโทสะหมดถ้าถนัดชอบนะฟังอะไรก็ชอบหมดถ้าถนัดที่เป็นนักขำนะเรื่องไม่เป็นเรื่องคนนี้นั่งขำอยู่อย่างเดียวอะไรขำมากปานนั้นก็ไม่ทราบบางเรื่องคนอื่นก็าขำมากไอ้คนนี้ถนัดในการจะเฉยมาไปเฉยอย่างเดียวก็เอาตามความถนัดเข้าว่าไ ดูธรรมชาตไปนั่งหัวล่อไปเฮ้ยฟังไม่เข้าใจมั่งไปว่าอะไรอันนถ้าสรุปว่าแยกสูตรได้อย่างนี้เลยใช่ไหมยแยกสูตรว่าอะไรเป็นที่มาของกุศลวิตกและอกุศลวิตกแล้วสูตรเหล่านี้เนี่ยอารมณ์แต่บางคนเนี่ยเป็นอิทธารมณ์กับบางคนอา น, นิถารมณ์กับบางคนอย่างสังเกตดูนะ ทุกคนนะ่เชื่อไหมนุ่งเสื้อที่ตัวเองชอบที่สุดถ้าเทียบกับเสื้อคนอื่นเขาใช้นะเสื้อที่เราใช้อยู่เราชอบที่สุดถ้าเทียบกับของคนอื่นที่คนอื่นเขาใช้นะเอาตอนนี้นะ ท, ที่ที่มีกันแต่ละคนแต่ละคนนะผมมีอยู่สองตัวใส่ตัวซากตั ว, ตว <c oughs> อันไหนพูดง่ายๆนะอย่างของเราที่แต่งคุณบุญชูเลือกเสื้อมาใส่เนี่ยถามว่าที่ในในห้องเนี่ยคุณชอบตัวนี้มากกว่าคนอื่นเขาใส่กันแล้วกันอันนะนไหนไ ทำไม อ, นะาาาอาก า, อมอากาออากาศอศันนี้แหละเขาเรียกว่าไม่ทําปริญญามาก็จะกล่าวเช่นนี้แหละคื <c oughs> อเพราะอะไรเพราะเราเลือกไอ้ชอบคําว่าชอบในทางธรรมะเนี่ยนะมันจะไม่ได้แปลแบบแบบแบบมันชอบมากสุดยอดอะไรเนี่ยไม่ใช่สรุปว่ามันชอบกว่าตัวอื่นก็นแล้วกันนะอันนจะด้วยเหตุผลอะไรมาที่บายก็ช่างเถอะแต่ว่ารวมๆแล้วเราชอบกว่า ตัวอื่นทั้งหมดเนี่ยนะแต่ละคนที่ใช้ใช้อยู่นะถือว่าตัวเองเลือกในสิ่งที่ที่ดีที่สุดสําหรับตัวหรืออาจจะดีก็คือชอบนั่นแหละเพราะดีนั่นแหละจึงชอบเพราะชอบน่ะเพราะชอบทําไมจึงชอบก็เพราะว่ามันดีอนะนะก็ทั้งคำว่าดีกับคาว่าชอบมันก็อธิบายกันได้ทีวอนาเนี่ยเป็นชุดซากุนอะไปไหนก็ชุดนี้มีชุดนี้ อันนั้นพอฟังแยกๆเป็นแล้วนะอะไรเป็นอะไรนะอันนี้ว่ารวมๆแล้วนะใครที่ถ้าถ้าเป็นนักสาวนะสาวส า, ว ส, าวสาวหาต้นเหตุนะเอะความคิดหนึ่งความคิดเนี่ยแยกได้เลยอ น, นะัจากแต่งเงื่อนไขที่สุดนะว่าความชํานาญที่จะแยกวัตถุวิญญาณกับอารมณ์ว่าวัตถุวิญญาณกับ ให้ค่ากับอะไรให้ค่ากับภาษะเพราะภาษาคือการประชมของธรรมะสามประการแล้ววันหนึ่งกี่ภาษะานะวันหนึ่งนะทวารตานี่กี่ภาษะทวารหูนี่กี่ภาษะแต่ว่าภาษะที่ทำให้สะเทือนใจในด้านโลภะกับโทสะรุนแรงเลยนะมีไม่เท่าไหร่โดยมากก็เป็นเสียใจแบบเสียใจแบบเฉยแต่จริงๆก็เสียใจ น, นั่นแหละแต่มันแบบเฉอ ย, อยนะดีชอบแบบเฉย ดีใจแบบโสมนัสแบบโลภะโสมนัสอะไรก็มาแยกจำแนกแยกแยะเพราะอิทธิพลของพวกนี้อยู่ที่วัตถุวิญญาณกับอารมณ์นั่นเองตัวตรงนี้แยกพื้นฐานว่าวิตกเกิดจากอะไรเท่านั้นนะนี่นี่มากล่าวว่าแล้วจะจัดการกับวิตตกอย่างไรเนี่ย สมมติว่าพื้นฐานอารมณ์เนี่ยคืออิทธารมสำหรับเราอิทธารมเนี่ยนะจริงๆแล้วมันจะดีก็าตามไม่ดีก็าตามแต่ถือว่าเป็นของดีสำหรับเราเนีย่ยนะถ้าเป็นพวกที่ดินเนี่ยจะเห็นชัดที่ดินบางที่นะรกก็ร ก, กป่าก็าปาก่าทึบก็ทึบต้นไม้ก็ไม่ได้อะไรเลยนะแต่ทำไมเราชอบมันจังใช่ไหมเพราะมันราคาดี อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม嘛ะนะแต่ว่าถ้าตามสภาวะยากขนเต็มไปหมดเลยนี่ตรงไหนถ้าวิเคราะห์ในด้านสีใช่ไหมบางที่ก็โล่งแจ้งร้อนก็ร้อนอย่างเงี้ยแต่ว่ามันน่าปรารถนามากสำหรับเราอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะเราจะปลูกบ้านว่าอะไรจะคี้ตีกันนะเรื่องยาวเลยอันนี้อิทธารณมตัวนี้นะหรือเออ สูตรของเขาก็คือเขาแบ่งในบ้านที่ดินเรือสวนไร่นาค่ า, าทาสกรรมกรสตรีบุรุษรูปเสียงกลิ่นรสโพธภิภพเป็นต้นเนี่ยนะก็คือสิ่งที่น่าปรารถนาสิ่งที่น่าปรารถนามาบวกกับอะไรมาบวกกับทวารสิ่งที่น่าปรารถนาเมื่อกระทบกับทวารก็เกิดวิญญาณานะวิญญาณตัวโดยมากชาติวิบาก เนี่ยนะชาติิบากกรรมอดีตเป็นปัใจจัยใช่ทีนี้วิญญาณเช่นจกขูวิญญาณแล้ววันหนึ่งกระพริบตากี่ครั้งเนี่ยนะยากนะถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องแสงเกี่ยวกับเรื่องการเห็นนะพวกนักถ่ายภาพเขาจะรู้ดีว่าตำแหน่งของการดูภาพตรงไหนควรจะเป็น ที่ที่น่าปรารถนาที่สุดเนี่ยนะจากคุูวิญญาณอยู่ในตำแหน่งไหนจึงจะจึงจะน่าพอใจที่สุดอะไรพวกกลุ่มเนี่ยเขาจะแยกเก่งมากๆเลยตัตัที่าต่วินาทีใช่ทีนี้มาดูอีกครั้งเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นภาษะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้เข้าเ่็นไเพราะเพราะขณะใดที่เห็นได้ยินก็ตามขณะนั้นเรียกว่าภาษะ ทีนี้ภาษาเมื่อกี้นี่อย่างที่กล่าวว่าถ้าแนวโน้มว่าน่าปราถนาเพราะอารมณ์ล็อกไว้แล้วว่าอิทธารมเนี่ยนะอารมณ์ที่น่าปรารถนาตามมาก็คือกามสัญญาหลังจากนั้นก็เกิดกามวิตกก็ครุ่นคิดในสิ่งนั้นนี้การมวิตกก็พอคิดไปคิดมาก็ต่อด้วยราคาบ้าง โทสะบางแต่ทั้งหมดก็บวกกับโมหะสมมติว่ากามวิตกเนี่ยนะแนวโน้มว่าพอตรึกไปไอสิ่งนั้นเหมือนกับว่าเสียเอยเราจะต้องเสียสิ่งนั้นแล้วนะโทสะใช่ไหมเราจะได้สิ่งนั้นแล้วน ะ, ะก็โลภะก็มองว่าได้หรือเสีย แต่ว่าจริงๆแล้วตอนคิดเนี่ยชอบมากคิดไปคิดมาเอ๊ะมันจะได้หรือมันจะเสียเน่ก็เลยราคะกับโทสะเพราะฉะนั้นคิดไปดีใจกับเสียใจมันก็สลับคระเคล้ากันไปในสิ่งเดียวในสิ่งเดียวในเรื่องเดียวนี่นะมันแล้วแต่เรียกว่าน้อมมนัสิการไปในด้านใดมนัสิการบางอย่างดีใจมนานสิการบางอย่างก็เสียใจ ทีนี้ทำยังไงที่จะตัดไ อ, ไ, อไอตัววิตกอันนี้นะจากการมสัญญาเนี่ยให้มันเป็นเนคขมมะสัญญาซะจะได้เกิดอะไรเนคขมมะวิตกขึ้นทํำยังไงให้เป็นเนคขมมะสัญญาในอารมณ์นั้นให้ให้เกิดเป็นเนคขมมะสัญญา เพราะหลังจากนั้นเนคขมะวิตกก็จะเกิดขึ้นเนี่ยนะอันนี้แหละที่เรียกว่าจะต้องรื้อเอามาทำปริญญาใน3สมส่วนหนึ่งทวารสองอารมณ์สวิญญาณเนี่ยก็เลือกเอ่เลือกเอามาทำปริญญาละเพื่อให้เกิดเนคขมะสัญญาแทน ก็อย่าลืมว่าเนคขมมะสัญญานั้นอะพื้นฐานจริงๆก็เกิดจากสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนําสัมมาทิฏฐิมีอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิสองนนเอาวิปัสนาอะไรนะวิปัสนาสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต่อไปฌานสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแต่เอาสองอย่างนี้พอเบื้องต้นนะกรรมสกตากับ ฌานสัมมาทิฏฐิ ท, ทีนี้ถ้าเอามาคิดใส่เรื่องกรรมทวาร น, นี้มาจากกรรมไม่ใช่หรือเห็นไหมนี้ในในเราจะยกให้กรรมทั้งหมดได้ไหมทวาร น, นะตาเราจะยกให้กรรมทั้งหมดได้ไหมสมมติตานะีตามีทั้งห้าสิบสี่รูปเราไปโยน์ให้กรรมหมดไม่ได้เห็นไหมเรตั้งให้อาหารด้วยอุตูด้วยจิต ด, ด้วย แล้วก็มาวิเคราะห์ทำปริญญาในด้านกรรมสักตากรรมและผลของกรรมแล้วสีล่ะสีก็อขออภัยอารมณ์嘛นะตัวอารมณ์ก็มาแยกแยะถึงเหตุใกล้ความเป็นมาเป็นไปของตัวอารมณ์นั้นว่าอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรมีอะไรเป็นเหตุใกล้ไปยังไงมายังไงเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องทำความเข้าใจ เรีย ว, ว่าสาวหาปัจจัยของอารมณ์ด้วยสาวหาปัจจัยของวิญญาณด้วยเพราะว่าไอาการเริ่มยอมรับตามความเป็นจริงตามกรรมและผลของกรรมเป็นต้นอันนั้นแหละเป็นพื้นฐานให้เกิดเนคขมมะสัญญาขึ้นเนี่ยนะสมมุติว่าอย่างอย่างบางคนเนี่ยนะเขาให้อิทธาร่มให้ของที่น่าปรารถนาเป็นทานทําไมอาจารย์เกสอนจึงเลือกเอาของดีๆให้ทานสมมตินะ ถ้าตั้งคำถามแบบนี้ขึ้นมาเพราะของดีๆทั่วไปใครก็ชอบใช่ไหมทําไมจึงให้ของดีเป็นทานทาั้งๆที่ใครก็อยากจะเอาไอ้ของอันนั้นมากนะทั้งการสแสวงหาการอะไรทั้งหลายแหละก็เพื่อเอาวัตถุดีๆเนี่ยนะอะไรก็ได้ที่เราว่ามันดีสําหรับเราเนี่ยเช่นอ่านะยกตัวอย่างว่าผู้รวมๆในะยุคนี้ก็คือแบงค์เนี่ยใครก็เห็นก็ชอบเลยใช่ไหมสตังค์เนี่ยแล้วทําไมเราจึงมอบสตังค์ให้แก่คนอื่นไป เพราะอะไรเพราะเรามีกรรมสกตาเกี่ยวกับเรื่องการใช้เนี่ยนะแม้กระทั่งข้าวของเครื่องใช้ดอกไม้อะอย่างดอกไม้สวยๆเนี่ยทําไมก็ก็เป็นที่ตั้งแห่งความชอบใจทําไมไม่เอาไปประดับเองทําไมไม่เอาไปใช้เองเอาไปทําบุญทําอะไรอะไรเห็นไมอ่าทำไ ม, ไมใช่ก็เนื่องจากรู้รู้ว่าอ่าความเป็นไปของเหตุผลใช่ไหม พอพอมีกรรมสกตาะเข้ามาเราจึงเนคขมมะเริ่มมีเพราะเราเริ่มรู้จักมันไม่ใช่ยึดแล้วมันก็จะได้ใช้ตลอดไปใช่ไหมในในวัตถุนั้นๆ้เขาจึงเรียกว่าเอาไว้บริโภคชาติต่อไปด้วยเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นที่มาของการให้ทานเป็นต้นหรือเนื่องจากว่าวัตถุที่น่าปรารถนาเป็นที่ตั้งแห่งความติดความคล่องเป็นต้นก็อาเริ่มมาพิจารณาถึง การยึดติดการบริจาค ก, การเสียสละไปอะไรทั้งหลายเป็นยังไงแม้กระทั่งวิญญาณก็เหมือนกันแต่เขามีกฎเกณฑ์ในการพิจารณาง่ายๆ ท, ที่เราก็ฟังกันบ่อยบ่อยมากอยู่แล้วคือให้รู้อัศาธะโดยความเป็นอัศาธะมันน่ายินดียังไงมันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดียังไงมันน่ายินดีแค่ไหนในสิ่งนั้นนะ ก็พิจารณาให้รู้ให้หมดว่ามันน่ายินดีแค่ไหนปานใดทำไมจึงยินดีแล้วมันจะยินดีนานสักเท่าไหร่เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็มาวิเคราะห์อัาธามันน่ายินดีแค่ไหนทาไมเขาจึงยินดีสิ่งนั้นเหลือเกินเนี่ยนะอันนี้แหละคือเรวาวิจัยอัาธาของเนี่ยทั้งทวา ร, รมแล้วก็วิญญาณอันนั้นถ้ารู้อัาธะเท่าไหร่นะเนคขมะมันจะมีเท่านั้น เนคขมมะก็จะมีเท่านั้นทีนี้ตัวตัวอาทีนวะลนะ่โทษนะการพิจารณาโทษเนี่ยนะตัวนี้สำคัญมากเขาบอกว่าสิ่งทั้งหลายนะตัวทวารอารมณ์วิญญาณนะมันให้มากที่สุดคือสุกโสมนัสเท่านั้นแหละมันให้ได้เท่านั้นจริงๆให้ได้แต่ความรู้สึกอนะไร มือนนะอย่างสมัยนี้นะเข้าไปประเมินประมูลภาพเข้าไปประมูลภาพนะอุ้ยภาพนี้กี่แสนก็ว่าไปเนี่ยนะขางมาันนึกว่ามันดียังไงเราเรานึกไม่ออกแล้วมันดียังไงนะอุ้ยประเมินภาพเนี่ยราคาแล้วตีเป็นนนเี่ยเป็นหมืน่นนี่ราคาหมืน่นนี่ราคาแสนนี่ราคาล้านเนี่ยนะแปกใจว่ามันมันดียังไงเนี่ย น, ะนั่นไม่รู้ ภาพที่ที่ว่าแพงมากเราเห็นรเราดูแล้วไม่มีค่านะแต่คนอื่นเขาเนี่ยไอ้ชิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไปทำให้เขาได้มหาพุทธรูปมาัวนี้ก็เนื่องจากว่ามันเป็นสะพานไงนนได้ก็าอาจจะไปหนึ่งขายต่อนะสองจะมีเขาจะมีชื่อหรือว่าเขาจะเก็บเงินเข้าเข้าโมาง ก, ก็ยังได้คนหนีไม่พน้นอีกนึงนะ แต่ว่าก็มีบางกลุ่มที่เรียกว่าเก็บไว้แค่เอาไว้ชมชื่อนะไมชื่อไม่เป็นชื่อเออจริงเขาเขามีอย่างเขามีบางคนเนี่ยนะเรียกว่าซื้อลายมือเนี่ยเพื่อเอาไว้ดูเอาไว้ดูแค่นี้ก็คือสรุปว่ามันได้สุขโสมนัสมันได้สุขโสมนัสแม้แต่ชื่อเสียงก็คือที่สุด ข, ของสิ่งนั้นก็คือสุขกับโสมนัส สุกโสมนัสสุกจริงไหยสุกกายสุกใจเนี่ยมันก็ได้โอ้ยแม่มีความสุขของเข้ามากเลยนะก็แล้ว่าอะไรนะยิ้มนัม่นแหละคือสิ่งที่เขาได้มาอย่างเจ้าเม่นิษฐได้สวนลําไยแล้วมันดียังไงยิ้มมากเลยนะตอนได้เนีน่ยนะยิ้มแย้มแจ่มใสนะไม่เราก็มีกับเขาอย่างเงี้ยนะเป็นต้นใช่ไหมมีบ้านแล้วดียังไงก็ได้สุขโสมนัสอเลือดแล้วก็ยิ้มเลยนะ เธอตอนนั้นอะนะแต่ว่าตอนหลังไม่ทราบนะแต่พูดถึงว่าที่สุดของสิ่งนั้นอะมันได้มาคือสุขกับโสมนัสก็สิ่งใดก็ตามที่เราสำให้ข้าว่ามันมันทุกโทมันัททุกโทมันัทนะเราจะไม่เอามาเลยเราจะไม่ต้องการเลยนะถ้าสิ่งนั้นอะสิ่งใดก็ตามบอกนี i, ทกท่ทุกโทมันัททุกโทมันัททุกโทมันัทนะจะไม่เอามันหรอกแต่นี่สุขโสมนัสสุขโสมนัสสุกโสมนัสนี่เราจะเอานะพัพื้นฐานพวก มองให้มองเห็นทั้งสองส่วนทั้งอัสาธะคือความน่ายินดีของสิ่งนั้นอะไรนะเรียกว่าหวานใจอนะว่ามันหวานใจแค่ไหนก็ไปดูเอาแล้วก็ต่อไปนะก็ทุกข์ใจนะซึ่งมันไม่หวานแนละตรงกันข้ามกับหวานก็บอกว่าน้ําน้ําที่มันเสียก็คืออะไรน้ําอะไรที่มันแปรสภาพเร็วกับเพื่อนก็น้ําหวานเนละน้ําหวานเนี่ยมันพร้อมที่จะไปเป็นน้าเมาก็ได้ ก็มาดูโทษถ้าโทษของวัตถุที่น่าปรารถนาเนี่ยนะสูตรเขาก็อธิบายวนะ่าพราะองค์ก็ตรัสไว้อะไรบ้างทั่วไปนะสูตรที่มีใช้ตายตัวก็คือโทษของกามสิบประการเนะห็นไหมหึ่งอุปมาเหมือนร่างกระดูกแปลว่ามันมีสุขน้อยมันมีโทษมากเหมือนอย่างว่าถึงเราบริโภคอารมณ์ที่น่าปรารถนาเนี่ยนะจะบริโภคปานใดยอย่างมากก็เหมือนกับ สุนัขแทะกระดูกเท่านั้นเองมีค่าเท่านั้นจริงๆก็เขาบอกว่าเหมือนอย่างว่าสุนัขตัวหนึ่งหิวโซพร้อมกระองก็ไปเห็นคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดเขากาลังฆ่าโคอยู่มันก็หิวก็ไปเผื่อจะได้สวนแบ่งเนื้อบ้างคนฆ่าโคก็รู้ทันก็เลยเถือ่อเออแ่ๆเอาเนื้อออกให้หมดแล้วกเอากระดูกเนี่ยไปคลุกกับเลือดแล้วก็คว้างไป หมามันไปนนั่งแทะอยู่นั่นแหะด้วยความหิวหิวังว่าจะได้แทะแล้วอิ่มแทะอยู่ครึ่งวันก็ไม่อิ่มฉันใดผู้ที่บริโภคกามทั้งหลายก็ลักษณะนั้นนะะสูตรภุการก์เขาบอก ว, ว่ามันน้ําลายตัวเองเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> กลือนะเคี้ยวเี้ยวกระดูกไปก็เกลือน้ําลายตัวเองอะไรเพราะมันไม่ใช่ว่ามันแทะมาแล้วมันจะกลืนลงอะไรที่ไหนหรอกก็เกลือนในน้ําลายตัวเองอยู่นั่นแหละก็เลยนึกว่าอิ่มที่ไหนได้ก็หิวตามเดิม มันก็อันนี้คือให้เห็นโทษข้อแรกก่อนก็คืออ น, นัคมบอก ว, ว่าอุปมาเหมือนร่างกระดูกอันนี้ว่าค่าที่เป็นจริงเมื่อบุคคลบริโภควัตถุกรรมมีเท่านั้นจริงๆเนะี่ยก็เหมือนสมมติร่าโดยที่สุดแม้กระทั่งฟังเพลงอะนะ เพลงที่เราชอบที่สุดอย่างมากก็ได้อยู่เท่านั้นก็ลองฟังทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนหนึ่งจะได้อะไรขึ้นม า, เานะเพลงเดิมนี่แหละที่ชอบที่สุดนี่ย น, นะฟังตั้งห้าพันรอบดูจะเป็นยังไงนะเทปเสียก่อน <S 1> <S 1> ส<ะ>เสียตังเงี้ยแล้วสรุปนะว่ามันได้อยู่เท่านั้นจริงๆหนึ่งนะร่างกระดูกสองชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อแปลว่าถ้าสิ่งนั้นเป็นของดีะนะมันแย่งกัน สึกชิงก้อนเนื้อฟังกันเถะก็เหมือนอย่างว่านกหรืออีกาตัวหนึ่งไปคาบไปขโมยก้อนเนื้อมาได้นะมันก็บินอีกาตัวอืน่นมันก็เห็นแบบเฮ้ยแบ่งกันกินสิบอกไม่ได้ซันอุตสา์ไปหามาแกไม่ให้แล้วก็เลยตีซ้ายตีขวาตีสะบักสะบอม ก, ก็เลยคายชิ้นเนื้อออกไปเจ้าใหม่ก็เลยฉวยโอกาสโชวไปตัวใหม่ก็มาไปยีตีซ้ายตีขวาก็สรุปว่าชิ้นเนื้อก้อนนี้นะอยู่กับมือใครอยู่กับปากใครนะ คนนั้นสะบักสะบอมกันแล้วกันเนี่ยนะวัตถุกรรมก็เหมือนกันนะถ้าผู้ใดกลืนเอาไว้นะยิ่งกลืนยิ่งเก็บเอาไว้เท่าไหร่นะสะบักสะบอมยิ่งเท่านั้นเท่านั้นมันสะบักสะบอมจริงๆเลยแหละนะก็คิดดูกันแล้วกันดูในโลกเนี่ยนะนะดูหน้าคนจริงๆเนี่ยคนที่ยิ้มด้วยความสุขจริงๆมีสักกี่คนให้เขาอยู่เงียบๆคนเดียวเขานั้นแหละยิ้มอย่างมีความสุขไนะหมหมอพินเห็นบ่อยไหมคนนี้ทาไมเขามีความสุขแล้วเกินคนนี้นะีย เขายิ้มแย้มจอมใสเนี่ยนะดีไม อ, อ, อ่านะอ่ น, น อ, อ, อ๋อ น, นะที่สวนปรุงพอมีนั่งยิ้มอ น, นะแต่ว่า <c oughs> ก็น่าคิดนะว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะถ้ามันดีจริงทำไมเขาส่งไปไว้แถวนั้นอ่ น, นัน <c oughs> สรุปว่าเหมือนชิ้นเนื้อ น, นะเพราะผู้ใดมีก็แย่งชิงอยู่นั่นแหละแต่ก็มีนะคนเพียนอยู่คนหนึ่ง เขาบอกว่าคารับว่ า, าสงสารเขานอะเขาบอกว่าเขาชื่อดำแบบคุณดำนี่คุณใช้สตังอย่างไงคุณใช้ชีวิตอยู่ยังไงอะไรยังไงเขาบอกว่าท่านนี้ว่าไอกง้เขามีธุรกิจเป็นร้อยล้านเขาว่างนะั้นใส่กางเกงขาสั้นอยู่ตัวหนึ่งเสือ้อขาดอยู่ตัวนึงโอ้โหเขามีเงินเป็นร้อยล้านนี่มันจะล่วงความลับผมนะเนี่ยเขาว่างนะั้นเมันเป็นอันตรายต่อชีวิตของผมมากแต <laughs> ่เราก็สงสารเขานะเพราะเขามากินข้าววัดอ่ะเขามาอยู่วัด เบอกว่าคุณไปยังไงคุณอยู่ยังไงคุณอะไรยังไงแล้วก็สอบถามด้วนะเสร็จแล้วเขา โ, โ, โ, ว โ, วโหวยวายใหญ่เลยวันนั้นก็บอกว่าล่วงเกินเขามาเขามีเป็นร้อยล้านจะมาล่วงความลับผมเลยบางคนหนีนเราไปอยู่ในสวนปง น, นี่ ก็สเออข้อสงก็ชิ้นเนื้อนะเพราะว่ามันเป็นที่แย่งชิงกันจริงๆอย่างสมัยใหม่นะที่ตําเขาแย่งกันมากมคืออะไรคือตำแหน่งทั้งหลายแหล่นี่มันชิ้นเนื้อจริงๆที่มันแย่งกันอ่ะนะอยู่กับใครนะคนนั้นสับั๊บสบอมแล้วก็ลงไปคนใหม่ขึ้นแทนะนะเป็นตําแหน่งที่ก็ชิงกันจริงๆเลยนะที่สามก็การทั้งหลายเหมือนขวาเออเหมือนอะไรเรียว่า ส, สเก็ดเพลิงอ่ะนะก็คือครบเพลิง เขาเพลิงเนี่ยถ้าเป็นเป็นคนที่ชาวบ้านนอกนะถ้าเป็นโบราณเขาจะฟังออกคือสมมุติถ้าเราไปเก็บเอาเอาหญ้านะเอาญ่าเอาเอาลำเป่ า, เอาอะไรแล้วก็มาจุดแล้วก็เดินทวนลมดูสะเก็ดมันจะตกใส่ก็คือได้ความเร่าร้อนใช่ไหมมันก็ตกใส่ชั้นใดก็ดีวัตถุกรรมถ้ามีกับบุคคลใดนะเดี๋ยวสะเก็ดมันจะตกใสน่นั่นนันนำมาซึ่งความลําบากใจตามมาเรื่อยเลยนะ ก็สมมติเรแม้กระทั่งมีรถสวยๆถามว่าลำบากใจเพราะรถสวยๆไหมคนอื่นจะเฉียวเราไหมเนี่ยจ่อแล้วใครจะมาขวนม้างหรือเปล่าเนี่ยนะก็คือสะเก็ดไอ้ความลำบากใจเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยตามมาจากสิ่งนั้นเนี่ยบ่อยมากเลยนะสิ่งที่เรามีนะั้นนำมาซึ่งความลำบากใจไม่มากกวน้อยละว่า ง, งั้นเถอะอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับคบเพลิงนะ ม, ม, มันก็ตกใส่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวด น, นะเดี๋ยวก็ลำบากใจมาเรื่อยล่ะ